เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในบุญในกุศลทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความสุขและความเจริญให้แก่ชีวิตของตนเพราะการประพฤติการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความสุขและความเจริญ อย่างแท้จริงเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเหตุที่จะนำมาให้ความสุขแก่พวกเราแล้วก็ทรงนำเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามเราก็จะได้รับความสุขรับความเจริญ ความสุกนั้นพ่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่ามีอยู่สองสองประเภทความสุขของผู้ครองเรือนและความสุขของผู้ออกบวชความสุขทั้งสองส่วนนี้ไม่เหมือนกันผู้ครองเรือนก็มีความสุขแบบหนึ่งผู้ออกบวชก็มีความสุข แบบหนึ่งสำหรับผู้ครองเรือนนั้น <c oughs> ความสุขของผู้ครองเรือนนี้ก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มา 2. ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ 3. ความสุข ที่เกิดจากการไม่มีหนี้สี่ความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เสียหายนี่คือความสุขสี่ประการสำหรับข่าววาดญาติโยมผู้ที่ยังอยู่ในในบ้านในเรือนผู้ที่ยังต้องทามาหาเงิน หาเงินหาทองเพื่อมาให้ความสุขแก่ตนจึงควรรู้วิธีการที่เราจะมีความสุขได้โดยไม่มีความทุกข์การความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มานี้ก็เกิดจากการท ร, รมาหาเกินด้วยความ สุดเจริธรำมาหากินตามกำลังสติปัญญาของเราทำอยู่ภายใต้กฎของบ้านเมืองภายใต้กฎหมายแล้วภายใต้กฎของศีลธรรมเงินทองที่เราได้มาทุกบททุกบาทก็จะเป็นความสุขเพราะไม่มีโทษตามมาถ้าเราทำมาหากิน โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเงินทองที่เราได้มาก็จะมีความทุกข์มีความกมังวลตามมาด้วยถ้าเราไปลักขโมยไปช่อกอย่างนี้เงินทองที่เราได้มาจะเป็นเงินทองที่มีความทุกข์ติดมาด้วยไม่ใช่มีแต่ความสุขอย่างเดียว จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้มาเงินทองแบบนี้จึงไม่ควรที่จะหามากันหรือมีกันเพราะจะต้องมีโทษตามมาอย่างแน่นอนทั้งในทางโลกและในทางธรรมในทางโลกก็จะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตามจับไปลงโทษมายึดทรัพย์คืนไป ถ้าเงินทองที่หามานี้หาไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่เราคงจะได้ยินข่าวเมื่อเร็วๆนี้เงินทองที่หามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องมีการตัดสินเมื่อตัดสินแล้วก็ต้องเป็นไปตามคำตัดสินถ้าศาลบอกว่าทำมาโดยไม่ชอบ ก็ต้องถูกยึดคืนไปถ้าผิดกฎหมายอื่น <c oughs> ก็จะต้องใช้โทษตามกฎหมายอื่นต่อไปอาจจะต้องเสียค่าปรับหรืออาจจะต้องติดคุกติดตารางนี่เป็นเพราะว่าได้ทรัพย์มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองวิธีละอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าทำ พอไม่คุ้มค่ากับเงินทองที่ได้มาได้มาแล้วก็ต้องมีความทุกข์มีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงต้องคอยหลบคอยซ่อนต้องคอยหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะตามจับมาลงโทษ น, นั่นเองแต่ถ้าเราหาเงินทองมาด้วยอาชีพที่สุดเจริตสามาชีพเช่น ท, ทำงาน รับราชการก็ดีหรือทำงานกับเอ ก, กชนก็ดีเวลาสิ้นเดือนเราก็จะได้รับเงินเดือนมาเงินเดือนนี้ทุกบาทก็จะไม่มีโทษตามมาเป็นเงินเดือนเป็นเงินที่จะให้ความสุขกับเรานี่คือการมีความสุขด้วยการจากการที่มีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มา อ, อีกวิธีหนึ่งที่เราจะ ได้ทราบมาก็คือถ้าเราเคยทำบุญมากในอดีตชาติทำบุญให้ทานมากมีเงินทองเท่าไหร่ที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทำบุญให้ทานสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนสนับสนุนคนดีเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าธรรมเนชีพราหมณ์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ ต่อสังคมต่อไปการทำบุญเหล่านี้ก็จะทำให้เรามาเกิดแล้วมีเงินทองรอเราอยู่เป็นเหมือนกับการปลูกข้าวเงินของเรานี้เป็นเหมือนเมล็ดข้าวที่เราหว่านลงไปในในดินที่เรียกว่าเนื้อนาบุญถ้าเราทำเราหว่านเงินทองนี้ลงไปในเนื้อนาบุญ มันก็จะงองเอยออกมาเป็นเหมือนต้นข้าวมเมล็ดข้าวพเพียงเมล็ดเดียวนี้สามารถผลิตเมล็ดข้าวได้อีกเป็นสิบเมล็ดด้วยกันดังนั้นบุญที่เราให้ทานที่เราให้นั้นเมื่อถึงเวลาส่งผลหรือออกผลก็จะทำให้เรามีทรัพย์หลายเท่าจากทรัพย์ที่เราให้ไป เรามาเกิดชาติใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เช่นเราจะได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทําบุญในอดีตชาติมานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรามีทรัพย์มีความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ ถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็แสดงว่าในอดีตชาติเราไม่ได้ทำบุญมามากก็ยังไม่เป็นไรเรายังมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์เรายังมีกำลังสติปัญญาความขยันหมั่นเพียรเราก็ยังหาทรัพย์ได้แต่ขอให้หาทรัพย์ด้วยวิธีที่สุดจริญ เหมือนคนที่เขาร่ำรวยในสมัยนี้ตอนที่เขาเกิดมาเขาก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่เขามีความขยันหมั่นเพียรเขามีความซื่อสัตย์เขามีความประหยัดมัธยันเงินทองที่เขาหามาได้เขาจะเก็บไว้ส่วนใหญ่จะใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อมีเงินทองมากเขาก็เอาไปลงทุนมากเพิ่มขึ้นก็ทำให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นอย่างพวกเจ้าของธนาคารสมัยที่เขาเริ่มต้นเขาก็เปิดธนาคารเพียงสาขาเดียวต่อมาเขามีเงินมากขึ้นเขาก็เอาไปเปิดขยายสาขาจนเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยสาขา ข, าขึ้นมามีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นมา เพราะเขามีความขยันเขามีสติปัญญาเขามีความซื่อสัตย์สุจริตเขามีความประหยัดมัธยัติเขาไม่ฟุ่มเฟอือยไม่ฟุ้งเฟอไม่ใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาประการที่สองความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ เวลาที่เราใช้ทรัพย์เราก็จะมีความสุขแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะมีความทุกข์ตามมาได้ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้ทรัพย์วิธีที่ใช้ทรัพย์แล้วทำให้เกิดความสุขไม่มีโทษขึ้นมาก็คือให้ใช้ทรัพย์ในสิ่งที่จำเป็นเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่ม นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องมีกันแต่ต้องรู้จักประมาณในการซื้อสิ่งเหล่านี้มาใช้คือไม่ควรมากเกินความจำเป็นและไม่ควรน้อยกว่าความจำเป็นควรจะพอดีถ้าน้อยเกินไปก็จะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ถ้ามากเกินไปก็จะเสียเงินทองไปเปล่าประโยชน์แล้วจะเกิดโทษตามมาได้เพราะเงินทองจะไม่พอใช้พอเงินทองไม่พอใช้แล้วก็ต้องไปมีปัญหาคือจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็จะมีความทุกข์มีปัญหาตามมาอีกปัญหาอยู่ที่เราไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ให้เป็นสุขนั่นเอง เราใช้เงินตามอารมณ์ของเราเช่นเรามีเงินมีเสื้อผ้าอยู่พอเพียงแล้วแต่เวลาที่เราเดินไปตามห้างตามร้านพอเราเห็นเสื้อผ้าที่ถูก อ, อกถูกใจเราเราก็อยากได้ทันทีโดยไม่คำนึงถึงว่าเสื้อผ้าเราก็มีอยู่เต็มตู้อยู่แล้วใส่ไปอีกสิปีก็ยังไม่ยังไม่หมด แต่เราต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นอเพราะเราอยากได้แต่เราซื้อมาได้แล้วเราอาจจะใส่เพียงครั้งสองครั้งเราก็ไม่ใส่แล้วพอเราเดินไปเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่เราก็อยากจะได้มันก็จะติดเป็นนิสัยมันจะทำให้เรานี้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุจะทำให้เราไม่สามารถ เก็บเงินทองไว้ดูแลเราในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่าในเวลาที่รายได้เราหดหายไปถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็จะเกิดโทษขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักวิธีใช้ซักเพื่อให้ไม่ให้เกิดโทษกับเราเราต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆ สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้และสิ่งที่เราเอาไปใช้แล้วเกิดโทษยิ่งอยาไม่ควรเอาไปใช้อหญ่สิ่งที่เกิดโทษนั้นคืออะไรก็คือเอบาบยาลูกต่างๆนั่นเองเช่นเอาเงินทองไปเล่นการพนันเอาเงินทองไปซื้อสุรามาดื่มเอาเงินทองไปเที่ยว กลางคืนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เงินที่เกิดโทษเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เป็นการใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาจะมีความสุขก็ตอนที่ได้ใช้เท่านั้นเองแต่พอเงินหมดแล้วก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะการใช้เงินกับสุราก็ดี กับการเล่นการพนันก็ดีกับการเที่ยวก็ดีจะไม่มีรายรับกลับมาจะไม่ได้ทำให้เรามีเงินทองเพิ่มมากขึ้นแต่จะทำให้เงินทองเราหดมีเงินทองน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมันจะติดนิสัยพอได้เที่ยวแล้วมันหยุดเที่ยวไม่ได้พอดื่มสุราแล้วมันหยุดดื่มไม่ได้ พอเล่นการพนันแล้วมันหยุดนั่นไม่ได้ดังที่เราเคยได้ยินคาพูดที่ว่าการเล่นการพนันนี้มีโทษร้ายแรงกว่าขโมยขึ้นบ้านเวลาขโมยขึ้นบ้านนี้เอาไปได้เพียงข้าวของแต่เอาบ้านไปไม่ได้แต่การเล่นการพนันนี้มันเอาบ้านไปได้ด้วยเวลา ไม่มีเงินจะเล่นก็ต้องขายบ้านขาย ส, สมบัติข้าวของขายแม้กระทั่งที่ดินเพื่อที่จะเอาเงินไปเล่นหรือเอาไปใช้หนี้ที่เกิดจากการเล่นการพนันดังนั้นเขาว่าขโมยขึ้นบ้านส0บครั้งก็ยังสู้ผีพนันไม่ได้ไฟไหม้บ้านสิบครั้งก็ยังสู้ผีพนันไม่ได้ เพราะไฟไม้บ้านแต่มันยังไม่ที่ดินไม่ได้ที่ดินยังอยู่ได้แต่ถ้าถ้าผีพนันแล้วมันเอาหมดทุกอย่างเอาทั้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเอาทั้งบ้านช่องเอาทั้งที่ดินและเอาทั้งชีวิตด้วยเพราะเมื่อไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วยังไม่มีเงินพอที่จะไปใช้หนี้ก็อาจจะถูกเขาตามฆ่าต่อไป นี่คือโทษของการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเราจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เงินกับอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเดิมสุรายาเมาและเที่ยวกลางคืนอย่าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดถ้าจะถ้าไม่อยากจะพบกับความหายานะถ้าอยากใช้เงินอยากมีความสุขก็ขอให้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น แล้วเราจะมีเงินทองเหลือเก็บเอาไว้แล้วใช้ในวิญยาณที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราแก่ชราไม่สามารถทำมาหากินได้เราจะได้มีเงินนี้คอยเลี้ยงดูเราไม่ต้องไปขอจากคนอื่นไม่ต้องไปเป็นหนี้ซึ่งนำมาซึ่งความสุขประการที่สาม ก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้นั่นเองเวลาเรามีหนี้แล้วเราจะไม่สบายใจเพราะเราจะต้องกังวลว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เวลาเจอเจ้าหนี้ก็เหมือนเจอเจอเจ้านายก็ต้องทนให้เขาทวงทนให้เขาว่าทนให้เขาบน่นแล้วถ้าเราไม่สามารถใช้หนี้เขาได้ เขาก็ต้องมายึดข้าวของของเราไปยึดข้าวของยึดบ้านยึดที่ดินไปเราก็จะกลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นขอทานไปเพราะเราไม่รู้จักหาเงินเราไม่รู้จักใช้เงินนั่นเองถ้าเรารู้จักหาเงินและรู้จักใช้เงิน รับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องไปเป็นหนี้กับใครถ้าเราหาถ้าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้เราก็จะมีเงินเหลืออยู่ตลอดเสมอแต่ถ้าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้เราก็จะไม่พอใช้เมื่อเราไม่พอใช้เราก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินต่อไปดังนั้นจงพยายามรู้รู้จัก หาเงินหาทองด้วยวิธีที่สุดจริญที่ไม่เกิดโทษแล้วก็พยายามใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัตใช้ในสิ่งที่จำเป็นเราจะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปทุกข์กับความมีหนี้มีสินนี่คือความสุขสามประการคือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ หรือได้ทรัพย์มาความสุขที่เกิดจากการได้ใช้เงินใช้ทรัพย์และความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้3มส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกันส่วนความสุขประการที่สก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เกิดโทษเช่นถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้น ก็จะไม่มีโทษตามมาถ้าเราทำผิดกฎหมายก็จะมีโทษมีคุกมีตารางตามมามีความทุกข์ตามมาทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ถูกจับไปลงโทษก็มีความทุกข์อยู่ในใจมีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินผ่านมา ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้มาจับเราใจของเราก็ตกใจแล้วเพราะเราเป็นเหมือนวัวสันหลังหวันั่นเองเรามีแผลอยู่ในใจแผลนี้เกิดจากการกระทาผิดกฎหมายหรือการกระทาผิดศีลธรรมเช่นไปนอกใจสามีหรือนอกใจภรรยาไปประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้จะมีความ ก, กาังวลกังวลจะไม่สบายใจ เพราะไม่รู้ว่ามีใครเห็นเราไปทำผิดหรือไม่นั่นเองและไม่รู้ว่าคู่ครองของเราเขารู้หรือเปล่าแล้วถ้าเขารู้เขาจะทำอะไรกับเราเขาจะฆ่าเราหรือเปล่าหรือเขาจะอย่าจากเราไปเรื่องราวนี้ไม่ดีทำไปแล้วจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่มีความสุข ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปก็จะต้องไปใช้เวงใช้กรรมต่อไปไปเกิดชาติหน้าจะไปได้สามีภรรยาที่นอก อ, อกนอกใจเราถ้าเรานอก อ, อกนอกใจสามีภรรยาของเราในชาตินี้ต่อไปชาติหน้าเราจะหาคู่ครองที่ซื่อสัตย์กับเราไม่ได้เราจะมีแต่สามีหรือภรรยาที่จะนอก อ, อกนอกใจเรา ศาสนาสอนหลักันว่าทำอะไรกับใครก็จะได้อย่างนั้นกลับมากับกับเรานอกใจสามีน้องใจภรรยาเราเราก็จะได้สามีภรรยาที่จะนอกใจกับเราถ้าเราอยากจะได้สามีที่ซื่อสัตย์สุดจริตอยากได้ภรรยาที่ซื่อสัตย์สุดจริตกับเราก็ขอให้เรามีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อสามี ต่อภรรยาของเราถ้าสามีหรือภรรยาของเราเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้ก่าใช้กรรมเก่าชาติก่อนเราเคยไปกระทำความไม่ซื่อสัตย์สุจริตกับสามีกับภรรยาของเราชาตินี้เราเลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมมาได้สามีได้ภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์กับเรา แต่ถ้าเรารักษาความซื่อสัตย์สุจริตของเราได้ต่อไปชาติหน้าเราก็จะได้สามีที่ซื่อสัตย์สุจริตกับเรานี่คือหลักทำเป็นอย่างนี้หลักของกรรมเป็นอย่างนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราอันนี้เป็นหลักตายตัวจะเชื่อหรือไม่ก็ตามก็จะ ไม่สำคัญเท่ากับการกระทาของเราถ้าเรากระทาแล้วเราก็จะได้รับผลตั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะรับโทษรับกรรมรับบาปก็อย่าไปทำบาปอย่าไปทำกรรม ขอให้เราทำแต่บุญทําต่กุศลรักษาศีลห้าไว้ให้ดีศีลห้านี้แหละจะให้ความสุขกับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปแล้วศีลห้านี้จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจถ้าเราไม่ทําผิดศีลห้าแล้วใจของเราจะมีความสงบ มีความเย็นมีความสบายจะไม่หวาดกลัวต่อโทษต่างๆที่จะตามมาเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่จะทำให้มีโทษต่างๆตามมานั่นเองนี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เกิดโทษคืออย่าไปทำผิดศีล5อย่าไปทำผิดกฎหมายรับรองได้ว่าเราจะอยู่อย่างเป็นสุข ถึงแม้เราจะไม่ร่ำรวยแต่เราจะมีความสุขกว่าคนรวยที่ทำผิดกฎหมายที่ทำผิดศีลอย่างแน่นอนเราก็เห็นกันได้ถ้าเราสังเกตดูเราก็เห็นกันนี่ก็คือความสุขสี่ประการของผู้ที่ครองเรือนส่วนความสุขอีกชนิดหนึ่งนี้เป็นความสุขที่สูง ข, ขึ้นไปเป็นความสุขของ บันปชิตหรือนักบวชของผู้ที่สละเลือนของผู้ที่ไม่ไม่ปรารถนาความสุขของผู้คลองเลือนเพราะเห็นว่ายังเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขที่มีความเสื่อมไปได้มีทรัพย์ก็หมดทรัพย์ได้ดังนั้นถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวร ก็ต้องเอาความสุขของนักบวชเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสุขของการมีทรัพย์ของการเป็นพระราชาโอรสว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เพราะสามัยก่อนนี้มีการต่อสู้กันตลอดเวลาถ้าหมดอำนาจไปก็จะหมดทรัพย์ไปด้วยถ้ามีผู้อื่นสามารถที่จะมา ทำลายล้างได้ก็จะก็ต้องถูกพาณิชยไปหรือถูกฆ่าตายไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความสุขทางโลกไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงแสวงหาความสุขของนักบวชเพราะความสุขของนักบวชนี้อยู่ในใจไม่มีใครสามารถแย่งเอกไปได้ความสุขที่อยู่ในใจก็คือความสงบนั่นเอง ถ้าใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีแล้วก็ไม่มีอะไรจะสามารถมาลบล้างความสุขความสงบของใจนี้ได้ต่อให้สูญเสียอะไรไปมากน้อยเพียงไรก็ตามจะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียสิ่งที่รักเสียงเสียคนที่รักไปก็จะไม่สามารถมาลบล้าง ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ความสุขความที่เกิดจากความสงบนี้อยู่กับใจระไม่มีอะไรที่จะมาสามารถทำลายได้เช่นความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้พบความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อม ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับความสุขของพระนิพพานนี้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านจึงไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านมีความสุขท่านเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ มีเครื่องทำความร้อนเวลาหนาวก็ไม่หนาวเวลาร้อนก็ไม่ร้อนเพราะเวลาข้างนอกร้อนข้างในก็มีเครื่องปรับอากาศทำให้ข้างในเย็นเวลาข้างนอกร้อนข้างนอกหนาวข้างในก็มีเครื่องปรับอากาศให้อุ่นขึ้นมานี่คือพระนิพพานเป็นอย่างนี้ถ้าใจได้ไปถึงพระนิพพานแล้ว ก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือความสุขภายนอกมาเกี่ยวข้องก็จะไม่เข้าไปกระทบกระเทือนต่อความสุขของพระนิพพานของความสงบนี้และการที่เราจะได้พบกับความสุข น, นี้ก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตามเยี่ยมยางตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองสละเพศของคารวะนี่เป็นการสละที่สูงสุดถ้าเราอยากจะได้พระนิพพานเราต้องสละหมดสละบ้านสละเรือนสละลูกสะละภรรยาสละสามีสละฐานะต่างๆแล้วก็ ไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็ให้รักษาศีลให้ดีศีลมีจิตข้อให้รักษาให้ครบของพระนี่ก็227ข้อรักษาให้ดีไม่ให้ขาดแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบ ต, ตอนต้นก็ใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนต่อมาก็ใช้วิธีบริกรรมพุทโธพุทโธ ต่อมาก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกเพราะใจนี้ตอนต้นนี้ยังหยาบอยู่ถ้าจะใช้ลมหายใจเข้าออกจะไม่นิ่งยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนพอสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะเบาลงก็ใช้บริกรรมพุทธโธไปบริกรรมพุทธโธไปก็จะทำให้ใจรวมลงเป็น สมาธิได้หรือถ้าไม่ใช้บริกรรมพุทโธก็ใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็จะทำให้ใจรวมลวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้นี่คือการทำสามสงบเป็นเหมือนขับรถยนต์เวลาออกรถต้องใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์หนึ่งใช้เกียร์สองจะไปใช้เกียร์สี่เกียร์ห้ามันออกไม่ได้เพราะรถยังไม่ได้วิ่งนั่นเองใจก็เหมือนกัน เวลาเริ่มต้นทำสมาธิจะดูลมหรือบริกรรมพุทโธนี้จะไม่อยู่ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนหรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเปิดเทปธรรมะฟังไปฟังไปเรื่อยๆจนจิตรู้สึกสบายแล้วค่อยมาบริกรรมพุทโธหรือมาดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิก็จะได้พระนิพพานชั่วคราว เพราะสมาธินี้จะไม่อยู่ไม่สงบไปตลอดจะอยู่ได้ไม่นานแล้วจิตก็จะถอนออกมาพอออกมาแล้วก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความสงบก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะกลับเกินมาถ้าอยากจะให้สงบในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นายรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นว่าเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาสมบัติข้าวของเงินทองจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา เขาจะอยู่กับเราก็อยู่ไปเขาไม่อยู่ก็ปล่อยเขาไปเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดแล้วเราจะอยู่ได้ที่เราอยู่กันไม่ได้ก็เราไปยึดไปติดนั่นเองเหมือนคนติดยาเสพติดคนที่ไม่ติดยาเสพติดเขาอยู่ได้เพราะเขาไม่ติดแต่คนที่ติดนี้อยู่ไม่ได้ต้องมียาเสพติดคนที่ติดบุหรี่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีบุหรี่สู คนที่ติดสุราถ้าไม่มีสุราหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สุราหรืออยู่ที่บุหรี่หรืออยู่ที่อะไรอยู่ที่การยึดติดนั่นเองเราต้องตัดมันให้ได้ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์ขังนาตาเราก็จะตัดมันได้เราจึงต้องเจริญพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนาตา พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วมากกว่าเป็นสุขเห็นว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเห็นว่ามันเป็นงูพิษไม่ใช่เป็นปลาไหลเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะอยู่ในความสงบได้ไปตลอดถ้าเราอยู่ในความสงบแล้วเราไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำให้ใจมีความสุขความสงบได้นั่นเอง นี่คือความสุขของนักบวชนักบวชไม่หาความสุขจากการหาเงินหาทองไม่หาเงินไม่มาบวชเพื่อหาเงินมาบวชเพื่อหาความสงบเท่านั้นนี่คือเรื่องของความสุขที่มีอยู่สองแบบด้วยกันคือความสุขของคารวาและความสุขของนักบวชเจงขอฝากความสุขทั้งสองประการนี้ ให้ท่านได้ไนำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา <c oughs> จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณระศีรัตนทรยัยและบุญคุลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมันนะสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ